การปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลาดับจากระดับปุจุชนขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดบันไดก็มีเป็นขั้นขั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นขั้น ทำแต่ละขั้นก็จะสนับสนุนเหมือนกับขั้นบันไดสนับสนุนกันบันไดขั้นที่หนึ่งก็จะสนับสนุนการขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สองก็จะสนับสนุนการขึ้นสู่บันไดขั้นที่สามเป็นธรรมที่สนับสนุนกันธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติกันนั้นเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็คือทานขั้นที่สองก็คือศีลศีลก็มีแบ่งเป็นสองขั้นสองสามขั้นศีลห้าก่อนแล้วก็ศีลแปดแล้วก็ศีลสิบศีล ส, สองร้อยยีบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่า อันนี้เป็นศีลมีความยากง่ายศีลห้าย่อมง่ายกว่าศีลแปดศีลแปทย่อมง่ายกว่าศีลสิบศีลสิบย่อมง่ายกว่าศีลสองร้อยยิบเจ็ดถ้าจะมาปฏิบัติแบบปรุปปับไม่เคยรักษาศีลเลยแล้วไปถือศีลสองรอยิบเจ็ดเลย ก็อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ต้องเป็นการหัดไปจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานเลยการจะรักษาศีลก็อาจจะยากยากกว่าการที่ได้ทำบุญทำทานมาก่อน เพราะการทำบุญทำทานนี้จะทำให้จิตใจเกิดความเมตตาไม่ชอบเบียดเบียนไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นการทำบุญทำทานนี้มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นมีแต่สงเคราะห์ผู้อื่นมีแต่ให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ ต, ต่อผู้อื่น เมื่อได้ทำทานแล้วจิตใจก็จะไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเอทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนทำอะไรก็จะระมัดระวังต้องคิดก่อนว่าทำแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเปล่าถ้าเสียหายก็จะไม่ทำอันนี้คือ จิตใจจะถูกการหล่อล้อมขั้นแรกทำหล่อล้อมด้วยทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันหรือจะเรียกว่าความเมตตาก็ได้ผู้ทําทานนี้ย่อมมีความเมตตาทําด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดล้ายต่อผู้อื่นเมื่อไม่คิดล้ายการจะรักษาศีลห้าก็จะ ง่ายเพราะว่าศีลห้าก็คือการไม่เบียดเบียนกันนั่นเองจะไม่คิดฆ่าผู้อื่นไม่คิดลักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่คิดประพฤติผิดประเวณีจะไม่คิดพูดปลดจะไม่คิดการเสพสุรายามเมาอันนี้เพราะว่าการกระทําเหล่านี้ จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองถ้าไปฆ่าก็ต้องทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแน่นอนไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเขาก็เดือดร้อนไปประพฤติผิดประเวณีก็เดือดร้อนไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็เดือดร้อนไปดื่มสุรายาเมาเดี๋ยวก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่สามารถควบคุม ความประพฤติต่างๆได้ก็อาจจะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนลำคาญอย่างน้อยก็ลำคาญคนที่ดื่มสุรานี้มักจะพูดจาอะไรไม่ระมัดระวังไม่สำรวมกิริยาวาจาคนอยู่ใกล้คนมึนเมานี้มักจะลำคาญ จะไม่อยากอยู่ใกล้เคียงเพราะว่าไม่เรียบร้อยนั่นเองการพูดวาจาก็อาจจะหยาบคายการกระทำอะไรก็อาจจะมีการกระทบกระเทือนผู้อื่นนี่คือทมที่ผู้ที่ต้องการที่จะลยยกระดับจิต ไม่ควรมองข้ามทำแต่ละขั้นสมัยนี้บางทีมีการศึกษามีการอ่านตำราก็อาจจะมุ่งไปที่การาปฏิบัติธรรมขั้นสูงเลยแต่ถ้ายังไม่สามารถทำทำขั้นต่ำได้การไปปฏิบัติธรรมขั้นสูง มักจะไม่เกิดผลขึ้นมาจะไม่สำเร็จจึงต้องควรที่จะปฏิบัติตามขั้นแต่ละขั้นขึ้นไปเหมือนกับการศึกษาการเรียนหนังสือเวลาเรื่มเรียนหนังสือก็ต้องเข้าอนุบาลกันเดี๋ยวนี้ยังมีก่อนอนุบาลอีกใชสไัยที่เราเรียนนั้น ไม่มีอนุบาลมีแต่ปฐมถึงเวลาก็เข้าปฐมอายุหขวบเดี๋ยนี้มีอนุบาลอายุห้าขวบเดี๋ยนี้มีก่อนอนุบาลอีกอายุสี่ขวบสามขวบเพราะเหตุส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ต้องไปทํางานทั้งสองคนไม่มีใครดูแลลูกช่วงที่ไปทํางาน ก็เลยไปฝากโรงเรียนค่ะให้ไปเรียนโรงเรียนก่อนอนุบาลเป็นเหมือนโรงเรียนเลี้ยงเด็กมากกว่าดูแลเด็กแล้วก็สอนเด็กเล็กเล็กน้อยน้อยพอให้เด็กได้เรียนรู้อะไรไปแต่โดยหลักใหญ่ก็คือดูแลเด็กไม่ให้เด็กได้รับอันตรายช่วงที่พ่อแม่ไม่ว่างที่จะดูแล น, นี่ก็จิตใจของผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนามักจะเป็นเหมือนเด็กทารกเด็กทารกนี้ก็ต้องว่ากันไปตามลำดับแต่อาจจะมีบางท่านเด็กบางคนจิตใจบางดวงอาจจะได้รับการพัฒนามาจากอดีตชาติแล้วอันนี้ก็เป็นกรณียกเว้น เช่นบางท่านอาจจะเป็นพระโสดาบันมาแล้วก็ได้พอมาปฏิบัติท่านจะรู้เองว่าธรมขั้นไหนเหมาะสมกับท่านคนที่เคยนั่งสมาธิได้แล้วก็ก็จะมานั่งสมาธิต่อได้เลยคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นอริยสัจสีเห็นไตรลักแล้วก็จะ ปฏิบัติขั้นระดับปัญญาไปได้เลยแต่สาหรับบุคคลทั่วๆไปที่เป็นยังเป็นปุถุชนอยู่ที่ยังไม่เคยทําบุญทําทานถ้าไม่มีนิสัยทําบุญทําทานนี่ยก็สแสดงว่าไม่เคยทํามาก่อนไม่ชอบทําบุญทําทานเสียดายเงินชอบเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นะอันนี้ก็ต้องดึง หนึ่งใจให้มาหัดทำทานเพราะการทาทานนี้ก็เพื่อที่จะกำจัดกิเลสที่ชอบเที่ยวชอบเล่นนี่ชอบอเสพกามเรียกว่ากามมัชันทะยินดีกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะด้วยการใช้เงินทองถ้าใช้แบบนี้จะพาให้ จิตใจไม่มีวันที่จะขึ้นสูงได้ถ้าอยากให้จิตใจขึ้นสูงต้องลดละการเสพการด้วยการใช้เงินทองจึงต้องให้เอาเงินทองที่จะเอาไปใช้กับการเสพรูปเสียงเกล็ดลดต่างๆมาทำบุญทาทานจะได้ประโยชน์เพราะว่าหนึ่งยิงนกได้ยิงนกสองตัวด้วยกระสุนลูกเดียว ประโยชน์อันแรกก็คือจะระ ง, งับลดละความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือลดละ ก, กามะตัญหาแล้วก็เพิ่มความเมตตาเพิ่มความเสียสละเพิ่มการปล่อยวางด้วยการเอาเงินทองที่รักที่หวงนี้ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ก็จะทำให้จิตใจเริ่มมีความเมตตาปรากฏขึ้นมาจะเริ่มคิดถึงผู้อื่นจะระมัดระวังต่อความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าไม่เคยทำบุญทำทานเลยจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวจะคิดแต่หาประโยชน์ใส่ตนอยู่เรื่อยๆว่าจะไปหาไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปซื้อของที่ไหนดี แล้วก็ไม่คำนึงถึงผู้อื่นว่าผู้อื่นเขาจะได้รับการกระทบจากการหาความสุขของเราหรือไม่เช่นบางที่ก็จัดงานเลี้ยงดื่มกันส่งเสียงเออะโวยวายรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่เคยคิดถึงผู้อื่นไม่เคยทำบุญทาทาน คิดแต่เอาประโยชน์เอาประโยชน์สุขใส่ตนเพียงพระอย่างเดียวขออะไรที่ทำแล้วขอให้ตนเองมีความสุขสนานมีความสุขได้ประโยชน์ก็จะทำไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไมอ่ถ้าเกิดความอยากที่มีความอยากมากๆก็อาจจะนะไม่ไม่หวาดกลัวต่อการไปกระทำ ความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นรักทรัพย์ของผู้อื่นไปเพื่อผิดประเวณีต่อบุคคลของผู้อื่นเขาเช่นสามีหรือภรรยาของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากผู้อื่นอันนี้ถ้ามีความอยากมากๆ ม, มันจะสามารถผลักดันให้ไปทําบาปได้อ เพราะความอยากเวลามันเกิดแล้วถ้าไม่ได้ตอบสนองมันจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจจึง <c oughs> ต้องทำตามความอยากให้ได้ถ้าทำโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ก็จะไปทำด้วยวิธีที่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าเราคิดกับพยายามลดความอยากฝืนความอยาก ด้วยการเอาเงินที่จะไปใช้กับการทำตามความอยาก ต, าตา่างๆไปเที่ยวก็ดีไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ดีเอาเงินทองเหล่านี้ไปทำบุญนะสงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนพิการคนคนชาราคนป่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มีเงินทอง รักษาพยาบาลหรือคนที่ประสบกับภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมเมื่อไม่นานนี้ที่ปักได้หรือมีภัยเช่นไฟไหมห อ, อะไรทํานองนี้พอเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนได้รับการบรรเทาจากการเสียสละของเรา เราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปใช้ตามความอยากตา่างๆไปเที่ยวก็ดีใจเดียวเดียเพอกลับบ้านความดีใจนั้นก็หมดไปไปซื้อของฟุ่มเฟือยกลับมาพอได้มาแล้วดีใจเดียวเดียว แต่ความสุขที่ได้จากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นจะทําให้มีความรู้สึกอิ่มเอิไปนานกว่า mm hmm. และทุกครั้งที่นึกถึงการกระทําอันนี้ทีไรก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีต่างกับการระลึกถึงสถานที่เคยไปท่องเที่ยว พอเราเลิกถึงแล้วแทนที่จะเกิดความสุขใจเหมือนตอนที่ได้ไปเที่ยวเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการอยู่ที่บ้านอยากจะออกไปเที่ยวอีกนี่คือความแตกต่างของการใช้เงินเพื่อทำประโยชน์ให้แก่จิตใจอยากจะทำประโยชน์ให้แก่จิตใจวิธีดีที่สุดก็คือการทำทาบุญทำทานทำกับใครก็ได้ ถ้าเราต้องการผลคือความสุขใจอิ่มใจทำกับคารวะญาติโยมก็ได้ทำกับพระก็ได้ถ้าเราต้องการผลที่จะได้จากผู้ที่เราสนับสนุนอันนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการผลอย่างไรถ้าเราต้องการให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น เราก็ต้องไปส่งเสริมไปช่วยเหลือทำโรงเรียนถ้าเราต้องการให้มีการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นที่ทันสมัยขึ้นเราก็ไปทําบุญทําทานกับโรงพยาบาลถ้าเราต้องการให้าศาสนาเจริญก้าวหน้าอยู่ไปนานๆเราก็ต้องไปทําบุญที่วัดนอันนี้เป็นเป็นทําไมเรา ถ้าเราต้องการผลแบบนี้เราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่สนใจเกี่ยวกับผลเหล่านี้สนใจเพียงแต่ความสุขใจที่จะเกิดขึ้นเราก็ทำกับใครก็ได้ขอให้เราเสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นหรือเพื่อทำให้ผู้อื่นเขามีความสุข เช่นทำกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่อาจจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ยากลำบากแต่เราอยากให้พ่อแม่มีความสุขเราก็อาจจะพาพ่อแม่ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกหรือซื้อของขวัญซื้อของใช้ที่จำเป็นให้แก่พ่อแม่หรือคอยรับใช้พ่อแม่พาพ่อแม่ไปหาหมอพาพ่อแม่ไปวัดอะไรทานองนี้อันนี้ก็จะได้ความสุขใจ หมกับการทำบุญทำทานกับผู้อื่นเป็นการเสียสละเป็นการให้ความให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแล้วมันจะทำให้ความอยากที่จะใช้เงินไปกับความอยากต่างๆมันลดน้อยลงไปเพราะว่าเราไม่ได้สนับสนุนการใช้เงินแบบนั้นนั่นเองถ้าเราไม่ได้สนับสนุนการใช้เงินตามความอยากต่างๆ ต่อไปความอยากเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปจนรู้สึกว่าไม่ไม่เดือดร้อนกับมันเลยเมื่อก่อนเคยเที่ยวเคยอะไรอยู่เคยซื้อของฟุ่มเฟือยพอผันเอาเงินที่ไปใช้กับการไปเที่ยวไปกับซื้อของฟุ่มเฟือยมาทำบุญทาทานต่อไปมันจะไม่เคยคิดที่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยคิดว่าอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเลย ถ้าจะซื้อก็ซื้อของจําเป็นจริงๆที่เช่นของที่ขาดแคลนถ้าเสื้อผ้าขาดแคลนก็ถึงจะซื้อแต่จะไม่ซื้อเพราะเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เขาโชว์ไว้ในร้านต่าง ๆ, ๆเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีกับการที่จะต้องซื้อมา<ๆ>เพราะว่าใจไม่ได้หิวเหมือนเมื่อก่อน ใจที่ทําบุญทาทานอยู่เรื่อยๆจะไม่หิวกับการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอ น, นี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างจากการทาทานทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนกับญาติโยมให้ทาทานแต่ไม่ได้สอนให้พระภิกษุทาทานก็เพราะว่ า, าพระภิกษุนี้เขาผ่านขั้นนี้มาแล้วนั่นเอง เมื่อก่อนเขาก็เป็นคารวะเขาก็ใช้เงินใช้ทองแบบนี้แต่พอเขาเห็นเห็นเห็นโทษของการใช้เงินแบบนี้เขาก็เอาเงินไปทำบุญทำทานไปบวชเวลาไปบวชเขาก็ไม่มีเงินทองติดตัวไปเข้าของเงินทองมีมากมีน้อยก็ทำบุญทาทานไปหมดยกให้คนนั้นคนนี้ไปเ้วก็ จะได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะถ้ายังมีเงินอยู่ถึงเมือจะเอาไปทาบุญทาทานถ้าอยู่ในระดับที่สูงกว่าทำบุญทาทานการทำบุญทาทานก็จะกลายเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพราะจะเสียเวลาแทนที่จะไปนั่งสมาธิปิกวิเวกเดี๋ยวก็ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องทาบุญทาทานที่นั่นที่นี่ เหน๋ยวมีงานภ้าป่าเหน๋ยวมีงานกระถิ่อมีงานศพมีงานอะไรยังอยากจะทำบุญเหล่านี้อยู่อันนี้พอขึ้นสู่ทำขั้นสูงกว่าแล้วทำขั้นต่ำกว่าก็ต้องปล่อยไปเหมือนเดินขึ้นบันไดพอขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วเราไม่กลับลงมาขั้นที่หนึ่งแล้วถ้ากลับมาขั้นที่หนึ่งมันก็ขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงอยู่แถวนั้นนะขึ้นหนึ่งสองสามแล้วกลับลงมาหนึ่งม่ พอขึ้นไปขั้นที่เราทําแบบเต็มที่แล้วพระภิกษุคนที่เป็นบวชนี่เขาทําบุญเต็มที่แล้วเขาผ่านขั้นบุญแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองแล้วเขาจึงไม่ต้องไปทําบุญต่อไปยกเว้นในกรณีที่เป็นพระก็ยังมีคนเมตตาสนับสนุนให้เงินให้ทองมาถ้าไม่อยากจะเก็บไว้ก็สละไป ถวายวัดไปอะไรทำนองนั้นแต่ไม่ไม่ทำแบบที่จะมาทำลายการปฏิบัติต้องรักษาการปฏิบัติไว้ไม่ให้ทำขั้นต่ำมาทำลายทำขั้นสูงนี่คือการปฏิบัติ เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับพระภิกษุจึงมักจะไม่แสดงเรื่องทานจะแสดงแต่เรื่องศีลสมาธิเรื่องปัญญาแต่เวลาแสดงกับญาติโยมนี่ผู้ที่คลองเรือนี้มักจะแสดงธรรมให้ทําบุญทําทานก่อนแล้วก็ให้รักษาศีลห้าถ้าทําบุญทําทานได้แล้วต่อไปการรักษาศีลห้าจะไม่ยากเย็น เพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินแบบที่จะต้องทำบาปนั่นเองแต่ถ้าใช้เงินใช้ทองตามความอย่างนี่เงินทองจะไม่ค่อยพอใช้เราจะหาโดยวิธีไม่ทำบาปก็มักจะหาไม่ได้ก็จะไปทำบาปได้เช่นพวกคนที่เขาขอรับชั่นกันนะเขาใช้เงินเกินเกินกาลังเกินรายได้ทีก็ได้เขาได้เงินเดือน แต่เขาใช้ของที่มีราคาแพงกว่าเงินเดือนที่จะสามารถสนับสนุนเขาได้แต่งานของเขามีโอกาสที่ทําให้เข า, เาช่อโกงได้เขาก็เลยเช่อโกงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้เกินฐานะของเขาเกินกว่ารายได้ของเขานี่ก็ เป็นเพราะว่าไม่คิดจะทำบุญทำทานคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวแต่ถ้าเขาเป็นคนที่าทาบุญทาทานเขาจะไม่คิดอยากที่จะทำอะไรที่เสียหายต่อผู้อื่นก็จะไม่มีการทำบาปพอจะรักษาศี่ห้าก็เลยรักษาได้ง่ายคนที่ไม่ทำบุญทาทานนี่บอกว่ารักษาศี่ห้ายาก พ่อค้าแม่ค้านี่เคยมาบวนให้ฟังว่าค้าขายมันก็ต้องมีหลอกกันบ้างโกหกกันบ้างมันถึงจะขายได้ถ้าพูดตรงๆแล้วกลัวจะขายไม่ได้ก็เลยทำให้ต้องโกหกหลอกลวงก็เพราะว่าเ็ายังอยากจะได้เงินไปใช้นูน่นใช้นี่อยู่นั่นเองแต่ถ้าก็ เ, เงินใช้แต่ของที่จำเป็น เขาจะมีเงินเหลือทำบุญแล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกหลอกลวงหรืชอช่อโกงนี่ทาเป็นขั้นๆทานจะสนับสนุนการรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะเข้าสู่การรักษาศีลแปดได้ตอนต้นไม่เคยรักษาศีลห้าก็จะรู้สึกว่ายากห้าข้อนีแต่พอรักษาไปเรื่อยๆพยายามรักษาไปเรื่อยๆ มันก็จะง่ายขึ้นไปที่มันยากก็เพราะมันไม่เคยไม่เคยรักษามันเป็นการเปลี่ยนนิ ส, สัยเท่านั้นเองเหมือนกับเราเคยใช้มือขวาอยู่เรื่อยๆพอจะให้มาใช้มือซ้ายมันก็ใช้ยากแต่ถ้าเกิดมือขวาเป็นอะไรไปใช้ไม่ได้เราเหลือมือซ้ายเราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายไปใช้ไป น, นานๆมันก็ชนานาญเหมือนกับใช้มือขวา แม้แต่คนที่ไม่มือแขนมีมือยังใช้เท้าแทนได้ก็ เ, เห็นจิตรกรคนหนึ่งเขาใช้เท้าวาดภาพสวยกว่าคนที่มีใช้มือวาดภาพเพราะเขาเมื่อไม่มีมือเขาก็หัดใช้เท้าคเนี้ก็เเาสามารถที่จะทําได้เพียงแต่ใหม่ๆอาจจะยากเพราะไม่เคยใช้มาก่อนอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่เคยรักษาศีลเราก็จะรู้สึกว่ า, เ, าเวลาจะมารักษาศีลนี่มันยากเหลือเกินเพราะนิสัยมันชอบมันมันไม่รักษาศีลเป็นปกติพองูพอเจอยุงปั๊บตกปุ๊บเลยเนี่ยมันอัตโนมัติพอมารักษาศีลมันต้องเออต้องเบรกไว้ละบางทีเบรกไม่ทันก็มเีเพราะว่ามันเอยชินกับการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย แต่พอมารักษาศีลใหม่ๆมันก็จะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่มันก็เหมือนกับเด็กอ่ะใหม่ๆก็อาจจะมีการล้มลุกคลุก ค, คานทันบ้างไม่ทันบ้างบางทีก็ทันเอ้ยตบไม่ได้เว้ยก็หยุดไปแล้วฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะทันหนึ่งเคยโกหกก็จะเริ่มหยุดโกหกเคยหยิบข้าวหยิบของขอ ง, ของคนอื่น โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยต่อไปจะหยิบอะไรก็ต้องดูก่อนว่ามีเจ้าของหรือเปล่าถ้ามีเจ้าของถ้าอยากได้ก็ขอจากเจ้าของก่อนถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาเป็นการฝึกที่สามารถจะฝึกกันได้ไม่ว่าอะไรก็ตามทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้ เป็นธรรมที่เราสามารถฝึกฝนอบรมและปฏิบัติกันได้ถ้าไม่ได้จะไม่มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาพระอริยสงสาวกก็พวกเราเนี่แหละก่อนที่จะมาเป็นพระอริยสงสาวกก็เป็นบุตชนคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานก็มีคนที่ไม่เคยรักษาศีลก็มีคนที่ไม่เคยภาวนานั่งสมาธิก็มี ไม่ใช่ว่าพระอริยสองนี้จะเป็นผู้ที่อพอฟังทำปุ๊บก็บรรลุธรรมกันทุกคนไม่ใช่หรอกแต่และคนก็ต้องมามาหัดมาเปลี่ยนนิ ส, สัยของตนนิ ส, สัยของปุถุชนไปสู่นิ ส, สัยของพระอริยบุคคลนะเริ่มต้นด้วยที่การทําบุญทําทานเนี่ยทำบุญทําทานแล้วเดี๋ยวก็รักษาศีล รักษาศีห้าได้แล้วทีนี้ก็มาเพิ่มรักษาศีแปดนะรักษาศีแปดก็ตอนต้นก็เอาลองอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก่อนชิมลางดูก่อนทดลองดูก่อนว่าเป็นยังไงยากขนาดไหนอดข้าวเย็นจะตายหรือไม่อดดูทีวีอดดูละคร จะตายหรือไม่เออดแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอดที่จะไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆจะตายหรือไม่อดนอนกับแฟนทั้คืนหนึ่งจะตายหรือไม่เอันนี้ก็ต้องทดลองดูเพราะว่าการที่เราจะขึ้นสู่ทำขั้นสมาธิขั้นปัญญาต่อไปได้ เราต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีศีลแปดเราจะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับการฝึกสมาธิฝึกปัญญานั่นเองถ้าเราถือเพียงศีลห้าเรายังไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ถ้าเราเอาเวลาไปใช้กับกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาฝึกสมาธิมาเดินจงกบมมานั่งสมาธิไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเช่นตามวัดวาอารามต่างๆนะนะพอเราติดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวติดงานเลี้ยงติดงานแต่งงานนะติดงานวันเกิดนะเดี๋ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นีนะนะ่เดี๋ยวมีละครที่ถูกใจต้องคอยดูนะ มีคอนเสิร์ตที่จะต้องไปดูไปฟังมันก็จะไม่มีเวลาไปฝึกสมาธิฝึกปัญญาได้เะฉั้นผู้ที่จะต้องการขึ้นสู่ทําขั้นสูงต่อไปก็ต้องอาศัยศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนศีลแปดก็ต้องอาศัยศีลห้าเป็นผู้สนับสนุนศีลห้าก็ต้องอาศัยทานเป็นผู้สนับสนุน ทำเหล่านี้จะสนับสนุนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านว่าสมาธิที่ได้รับการสนับสนุนด้วยศีลจะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์มีประโยชน์อย่างมากปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนด้วยสมาธิก็จะมี ก็จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ปัญญาที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจิตที่ได้รับการสนับสนุนด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ก็จะหลุดพ้นจากความทุกโดยถ่ายเดียวการปฏิบัตินี้เราต้องการให้จิตหลุดพ้นจากความทุกการหลุดพ้นจากความทุกก็คือการเข้าสู่ธรรมของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนัน การที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลต่างๆยิ่งต้องมีปัญญาเป็นผู้สนับสนุนปัญญาก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนอันนี้เป็นเป็นความจริงตายตัวไม่มีใครที่จะมาปฏิเสธได้เหมือนกับการศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ มันเป็นความจริงตายตัวไม่มีใครที่จะข้ามขั้นได้ต้องเข้าสู่ถ้ามาหาลัยก็ต้องปีหนึ่งก่อนถึงจะเข้าปีสองได้ปีสองถึงจะเข้าปีสามพอปีสี่จบจะเข้าเป็นยาโทก็ถึงจะไปต่อโทได้อยู่ดีๆเข้ามาหาลัยขอสมัครเรียนโทเลยเดิไม่ผ่านปีนี้เขาไม่ให้เรียนเนอะเพราะเขาเห็นว่าไม่มีศักยภาพ จิตของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจิตที่ต้องการ บ, บรรลุเป็นพระอริยบุคคลต่างๆก็เหมือนกันผ่านขั้นตอนไม่ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาเขาก็ไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไดถ้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาปัญญามีปัญญาก็ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะทำให้เป็นบรรลุมรรคผลนิพพาน ปัญญาก็มีสามขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ไม่ต้องมีสมาธิก็ได้หรือมีไม่มากพอแต่ขั้นที่สามนี้ต้องมีสมาธิถึงจะสามารถกําจัดสังโยชน์ต่างๆกิเลสต่างๆได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้เป็นปัญญาที่ง่ายปัญญาขั้นที่หนึ่งเป็นอย่างไรก็สูตะ ส, สูตะมายาปัญญา แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยตอนนี้ญาติโยมมาฟังธรรมกันไม่ยากไม่ต้องมีสมาธิมากมีบ้างแต่ไม่ต้องมากคนที่นั่งเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้คนที่มานั่งเนาะคุยกันอย่างเงี้ยแสดงว่าฟังธรรมไม่ได้เพราะว่าใจไม่นิ่งพอที่จะนั่งฟังใจอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทาอะไร คนที่จะได้สูตรตามวิญญาปยาจึงต้องมีสมาธิระดับต้นๆไม่ต้องมากขอให้ตั้งนั่งเฉยๆแล้วฟังตั้งใจฟังให้ได้ก็เรียกว่าเกิดประโยชน์ฟังแล้วจะรู้เรื่องฟังแล้วจะเข้าใจส่วนขั้นที่สองนี่ต้องมีสติหรือสมัมีสติมากขึ้นเราเรียกหรือสมาธิมากขึ้นก็คือเราต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาทบทวนอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าถ้าเราไม่ทบทวนแล้วมันจะลืมแล้วเวลาถึงเวลาที่จะใช้มันมันจะไม่มาอันนี้เป็นขั้นที่สองต้องบันทบทวนอยู่เรื่อยๆต้องมันพิจารณาไตรักอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาปฏิกูลอาหารปฏิกูลเพื่อที่จะได้กำจัดความอยากต่างๆพอเห็นอาหาร ถือศีล8ปดพอตกเย็นหิวอาหารขึ้นมานึกถึงอาหารจะได้นึกถึงปฏิกูลนึกถึงเวลาอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่มันถ่ายออกมาพอมันเห็นภาพของอาหารเหล่านั้นความอยากกินก็จะหายไปความทรมานใจก็จะหายไปก็จะอดได้อดข้าวเย็นได้หรือบางทีอยากจะทำความเพียแเล้งความเพียด้วยการอดอาหารก็จะอดได้จะไม่ทุกทรมานใจ หรือเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมีอสุภะโผล่ขึ้นมาถ้ามีอสุภะโผล่ขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถดับการอารมณ์ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นธรรมขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามเพราะขาดสมาธิที่เต็มร้อยขั้นที่หนึ่งที่สองนี้อาจจะสมาธิแค่ยี่สห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ขั้นที่สามนี้ การที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปด้วยปัญญานี้ต้องมีสมาธิเต็มร้อยคือมีอัปปนาสมาธิแล้วถึงจะต้องถึงจะสามารถกำจัดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องย้อนกลับมาถ้าไม่มีกําลังถึงแม้จะมีปัญญาหรือว่าปัญญาแบบมันมาบ้างไม่มาบ้างก็ไม่ทันถึงเวลาจะมีมันไม่มา ถึงเวลาไม่มีไม่ต้องการมันมันมาอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะเิ่นบางคนนั่งสมาธิแล้วเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นอสุภะเห็นตอนนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นไว้สําหรับให้เรามาคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆต้องเห็นตอนที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้าเห็นเกิดการอารมณ์แล้วไม่มีอสุภะเห็นแต่อสุภะอยู่เรื่อยๆมันก็ดับไม่ได้ แล้วก็มันต้องมีปัญญาเต็มร้อยเอ้ยสมาธิเต็มร้อยสนับสนุนมันถึงจะสามารถรักษาปัญญาให้อยู่คู่กับใจได้ตลอดเวล า, านี้คือจึงทาไมจึงต้องฝึกสมาธิกันก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้และการก่อนที่จะฝึกสมาธิได้ก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อน เรือสิ้นแปะเปิกเว่เวกให้ได้ก่อนหลบไปอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนอถึงแม้ยังว่ายังไม่ได้ทำแบบถาวรก็หัดทำไปก่อนเช่นยังมีครอบครัวยังมีภาระอยู่กับการคลองเลือนอยู่ยังไม่สามารถออกบวชได้หรือไม่มีกำลังที่จะออกบวชได้เพราะยังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ยังรักคนนั้นรักคนนี้อยู่ไม่กล้าทิ้งเขาไป ก็จะก็ยังไม่มีกำลังก็ต้องออกไปปีกวิเวกเป็นชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่เคยทำเลยก็ลองทำอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระวันพระเป็นวันที่พระเจ้าสอนให้ถืออศีลอุโบสถก็ให้เกิดไปอยู่ที่สงบอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้มาฝึกสติฝึกสมาธินั่นเอง ฝึกปัญญาปัญญาก็เป็นขั้นที่หนึ่งก่อนฟังเทศฟังธรรมไปเพื่อจะได้รู้เรื่องว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรทําอย่างนี้ไปก่อนอแล้วพอทอํานี้ไปอาจจะนั่งสมาธิแล้วอาจิตก็อาจจะสงบแบบแป๊บเดียวที่เรียกว่าคันนิกะสมาธิแบบมูแลบลิ้นนแต่ไม่ว่าจะเป็น นแบบไหนก็ตามถ้าลองได้สัมผัสแม้แต่ชั่วระยะแว บ, บหนึ่งมันจะรู้ทันทีว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันวิเศษอย่างไรเหมือนกับชิมนกแกงมันเพียงแต่ช้อนเดียวก็รู้แล้วโอ้แกงอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่ต้องกินทั้งหม้ อ, อกินแคชน่ช้อนเดียวก็รู้ติดใจโอ้แกงนี้อร่อยสั่งซื้อทั้งหม้อเลยอ ะ, อ, ะอันนี้ก็เหมือนกัน พอลองไปฝึกถือศีลแปดไปฝึกปีกวิเวกไปฝึกนั่งสมาธิจเจริญสติแล้วถ้าสติมีกำลังมากพอสติก็อาจจะดึงให้เข้าไปสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งเพราะใหม่ๆหสติจะมีกำลังไม่มากพอที่จะดึงจิตให้อยู่ในสมาธิได้นานนั่นเองอยู่ได้แค่วับหนึ่ง แล้วก็ถูกกิเลสดันออกมากิเลสจะเป็นฝ่ายดันจิตออกข้างนอกสติเป็นฝ่ายจะดึงจิตเข้าข้างในเวลาเราพุโทโธพุโทโธนี่เรากําลังดึงจิตเข้าข้างในดึงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายดึงออกจากรูปเสียงกดลดิ่นรสดึงออกจากความสังขารความคิดปรุงแต่งที่จะคิดถึงแต่รูปเสียงกดลดิ่นรสคิดถึงแต่สิ่งภายนอกเราก็ต้องใช้พุโทโธ เพื่อหยุดความคิดที่จะดึงจิตให้ออกข้างนอกนั่นเองแต่สติใหม่ๆนี้มันยังมีน้อยถ้ามันเอาขนาดที่หยุดความคิดได้ชั่วขณะหนึ่งก็ถือว่าเก่งละถือว่ายอดเยี่ยมนะแสดงว่ามีกำลังที่จะหยุดจิตได้ละเพียงแต่ว่ายังหยุดได้ไม่นานถ้าได้ขั้นนี้แล้ว รู้แล้วต่อไปนี้จะต้องทำอะไรจะต้องฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่อยากจะทำอะไรจะสนใจแต่การฝึกสติจะอยากไปปีกวิเวกเพราะถ้ายัางต้องทำงานทำการต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่มันไม่สามารถควบคุมความคิดได้มันต้องใช้ความคิดคิดกับเรื่องงานคิดกีกับคนนั้นคนนี้ถ้าอยู่คนเดียวมันไม่ต้องคิดอะไรเลย ก็ จ, จะมีความปรารถนาที่อยากจะอไปปีกวิเวกเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะลดการทำงานให้น้อยลงหรือเปลี่ยนงานถ้า ง, งานที่ทำอยู่ลดไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นงานอาชีพอิสระที่สามารถเลือกเวลาทําได้เพราะถ้าเราไล่ปฏิบัติแล้วนี้เรื่องของรายได้นี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะรายจ่ายจะไม่ค่อยมี มีรายจ่ายก็เฉพาะแค่ค่าอาหารเท่านั้นเองที่อยู่อาศัยก็ค่าน้ำค่าไฟเสื้อผ้าก็มีเหลือเฟือเจ็บไข้ได้ป่วยก็นานๆจะเป็นทักทีก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานแบบเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนอาจจะทำแบบพาร์ทไทม์ทำสักห้าสิบเนี่ย แบ่งเวลาอีกสักห้าสิบมาให้กับการปิกวิเวกให้กับการปฏิบัติธรรมนะแล้วมันก็จะเพิ่มสติให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบนานขึ้นไปเรื่อยๆจิตยิ่งสงบได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเราลึกถึงปัญญาได้นานขึ้นเท่านั้นเพราะสังขารความคิดที่จะไปคิดทางเรื่องอื่นมันจะถูก สติหรือสมาธิหยุดไว้ถูกสติหรือสมาธิดึงให้มาคิดเรื่องปัญญานั้นเองถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตมันจะคิดไปทางเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขาระมันจะไปคิดถึงเรื่องลาบยศสารเสริญคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะไม่มาคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่มาคิดเรื่องอริยภาพมันจะไม่มาคิดเรื่อง อปฏิกูลไม่มาคิดเรื่องอาการสามสิบสองของร่างกายไม่มาคิดถึงเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำนมไฟมันจะจะไปคิดแต่ราบยศสรรเสริญช่วงนี้มีการเลือกตั้งแล้วมัตอนนี้คิดแต่เรื่องการหายหายศกันละหาตำแหน่งกันละเลือกตั้งเลือกอะไรก็เลือกตาแหน่งกันเนียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมาชิกสภาก็จะเลือก รัฐมนตรีเลือกนายกันต่อไปถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไปทางนี้ ท, ทันทีพวกที่ไปทางนี้ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทางธรรมเลยเอาจจะมีปัญญาทางโลกคือวิช้ความคิดเดบการที่จะหาหาเสียงหาตำแหน่งแต่ไม่มาคิดถึงวิธีมากำจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความ เวียนสร้างการเวียนไหวตายเกิดให้แก่จิตใจ น, นี่คือความสำคัญของทำแต่ละขั้นต้องมีทุกขั้นตอนถึงจะสามารถก้าวสู่ขั้นสูงสุดได้ไม่ใช่จะข้ามขั้นมาอยู่ที่ขั้นสูงสุดมาฝึ ก, ากปัญญาโดยที่ไม่มีสมาธิฝึกไปก็เป็นปัญญาแบบสัญญา จำได้บ้างลืมบ้างตอนได้ยินได้ฟังก็รู้ว่ามีปัญญาแต่พอเดี๋ยวไม่มีไม่มีสติควบคุมเดี๋ยวมันก็ดึงไปคิดเรื่องอื่นทันทีไปคิดเรื่องว่ิ จ, จังสุ ข, ขังหัตตาไปคิดถึงเรื่องราบยศสารเสริญอันนี้คือทำขั้นต่างๆ ถ้าพวกเราปฏิบัติตามขั้นต่างๆแล้วมันจะรู้สึกไม่ยากมากเกินไปถ้าเราข้ามขั้นนี้มันจะยากถ้าเราไม่มีขั้นที่ต่ํากว่าคอยสนับสนุนก็เหมือนเดินจากพื้นข้ามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไปเยียบบรรยันไดขั้นที่สามนี่มันสูงเกินไปก้าวไม่พอเท้าไม่ขาไม่ยาวพอที่จะไปข้ามได้แต่ถ้าขึ้นสู่พื้น ไปสู่ขั้นที่หนึ่งมันง่ายกว่าจากขั้นที่หนึ่งก็ขึ้นสู่ขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็สู่ขั้นที่สามเนี่ยมันสนับสนุนกันเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิเต็มร้อยสมาธิที่เต็มร้อยก็สนับสนุนให้เกิดปัญญาเต็มร้อยปัญญาที่เต็มร้อยก็จะสนับสนุนการหลุดพ้นของจิตโดยถ่ายเดียวมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นของ เป็นขั้นขั้นไปยกเว้นคนที่มีสมาธิเต็มร้อยแล้วเขาก็ไปทางปัญญาได้คนที่มีปัญญาเต็มร้อยเขาก็บรรลุธรรมได้เลยเอพอเจอกิเลสปับ๊บกิเลสโผลขึ้นมาปับ๊บเขาก็ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ทันทีเลยนะดังนั้นขอให้เราใจเย็นๆนะกรุงโลมไม่ใ ช, ช่สร้างภายในวันเดียวเนย มักผลนิพพานก็ไม่ได้สำเร็จภายในวันเดียวบางคนไปฟังทางนิกายเซนก็บอกว่าบรรลุมักผลนิพพานแบบฉับพลันนั่งเฉยๆนั่งคิดปิจนา ร, รมพอคิดปุ๊บเข้าใจปุ๊บบรรลุเลย อ, อันนี้พวกนี้หมายถึงพวกที่มี ศีลเต็มร้อยแล้วสมาธิเต็มร้อยแล้วเพียงแต่ปัญญายังไม่เต็มร้อยกำลังมาเติมปัญญาให้เต็มร้อยเท่านั้นเองเหมือนในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับพวกที่ฟังรุ่นแรกๆนี่เป็นพวกที่มีศีลสมาธิเต็มร้อยเป็นพวกนักบวชเช่นพระปัญจวัคคีเป็นพวกนักบวชาววบวตามสำนักต่างๆพอฟังขั้นปัญญา พอฟังสอนให้พิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาธาตุเขาก็บรรลุกันได้เลยเพราะเขาขาดเพียงแต่ขั้นปัญญาเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกที่ยังไม่มีสีนี่นั่งฟังไปก็ไม่รู้เรื่องไม่มีนั่งไม่ได้ใจลกลี้ลกหลน่นอยากจะไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่ จึงต้องฝึกซัฝึกสติฝึกสมาธิให้นั่งเฉยๆให้ได้ก่อนให้จิตสงบจะได้ตั้งใจฟังและมีกำลังที่จะเอาปัญญาที่ได้มาไปใช้ดับกิเลสตัณหาต่างๆได้ดังนั้นถ้าคนบางคนเขาสามารถทำอะไรที่เรายังทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขามีบุญเก่ามา เขาเคยทำมาแล้วเขาก็เลยไม่ต้องมาทำขั้นที่เขาผ่านมาแล้วเหมือนกับเด็กนักเรียนที่เวลาพ่อแม่ย้ายบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเคอยอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนจบชั้นไหนเวลาไปที่จังหวัดใหม่ก็โรงเรียนใหม่ก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ชั้นชั้นหนึ่งไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ปหนึ่ง ถ้าจบป6แล้วก็ไปเรียนชั้นมัธยมต่อได้เลยะไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ไม่ใช่การมาเกิดแต่ละภพของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนโรงเรียนภพก่อนเราอยู่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าที่เราเรียนถึงชั้นไหนแล้วสมมติถ้าเราเรียนได้ขั้นศีลห้าแล้วเราก็มาต่อที่ศีลแปดได้เลยะถ้าเรา ได้ศีลแปดแล้วเราก็มาต่อที่การนั่งสมาธิได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ทานใหม่ทําทานใหม่รักษาศีลใหม่เนี่ยทําเหล่านี้มันดีอย่างดีกว่าลาบยศสรรเสริญดีกว่าข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่เอาติดตัวไปไม่ได้แต่การปฏิบัติทำขั้นต่างๆนี้เราเอาติดตัวไปได้ เหมือนกับการเรียนหนังสือของเด็กเวลาย้ยายโรงเรียนนี้สามารถเอ า, เอาประกาศนีบัตรไปจากโรงเรียนเก่าไปสู่โรงเรียนใหม่ได้มีใบหนังสือรับรองว่าเด็กคนนี้ได้จบ้นนีชั้นนี้แล้วาสามารถที่จะเข้าต่อชั้นต่อไปได้แต่ถ้าเรามามัวแต่หาทรัพย์กันหายศยาตำแหน่งกัน สมตวาชาตินี้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีพอย้ายพบไปเกิดใหม่นี้ไม่ได้เป็นเจ้าแผ่นดินใหม่นะไม่ได้เป็นต่อนะต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วพอไปเกิดชาติหนะ้าก็ต่อได้เลย ถ้าเป็นพระสะกิรดาคามีก็ต่อได้เลยพระอนาคามีก็ต่อได้เลยของพวกนี้ไม่เสื่อมไม่หายไปจากจิตจากใจพอได้แล้วมันจะติดไปกับใจพวกที่มีปัญญาแล้วพอมาเกิดก็จะมีปัญญาฉลาดฟังเทศฟังธรรมเข้าอกเข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วกว่าพวกที่ไม่มีปัญญาพวกที่มีสมาธิก็เป็นพวกที่ นั่งสงบทําอะไรก็ใจเย็นสงบเป็นอุเบกขาเอไม่ลุกนี้ลูกหลนไม่วุ่นวายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันแต่ละคนนี้ของพวกนี้มันติดตัวติดไปกับใจมันเป็นสมบัติของใจที่ไม่สูญหายไปจะสูญก็ต่อเมื่อไม่ไม่รักษาเท่านั้นเองของพวกนี้เสื่อมได้ ทานที่เราทำนี้ยังเสือเส่อมได้ศีลที่เราทำไว้ยังเสือมได้ถ้าเราไม่ทำไปจนทั้งมันเป็นนิสัยสันดานถ้าทำตามโอกาสตามอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ไม่ทำต่อไปไม่ทำบ่อยๆเขามันก็หายไปได้แต่ถ้ามันเป็นระดับที่เป็นนิสัยหรือเป็นสันดานแล้วนี้มันไม่หายมันจะทำเป็นประจำเป็นนิสัยพอมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำวันนั้น ไม่ได้ทำตามอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์นี้มันไม่ใช่เป็นนิสัยถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำถ้ามีอารมณ์ถึงจะทเนี่เราต้องเปลี่ยนการปฏิบัติตามอารมณ์มาให้เป็นเป็นนิสัยอยากนิสัยให้มันเป็นสันดานเพราะเป็นสันดานแล้วนี่เปลี่ยนยากนิสัยยังเปลี่ยนง่ายกว่าสันดานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสันดานเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยจะมุ่งไปสู่ การหลุดพ้นสู่การปฏิบัติธรรมเออถึงแม้ว่าจะมีบารมีให้อยู่เป็นพระมหาจักรพรรดิได้ก็ไม่เอาะมีใครบ้างที่จะทําอย่างนี้ได้ถ้าให้เลือกระหว่างไปบวชกับเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นมหาจักรพรรดิก่อนดีกว่าบวชที่หลังไม่ให้แก่ก่อน <c oughs> แต่พระเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดอย่างนั้นคิดต้องการที่จะไปบวช เ, เพราะว่ามัน เป็นสันดานของท่านท่านทำปฏิบัติของท่านมาท่านสร้างบา ร, รมีสิบมาอย่างโชคชนขาดเพียงบา ร, รมีสุดท้ายก็คือปัญญานี่ท่านถึงออกบวชได้ง่ายไดมไหมทำบุญทําทานมาพอถึงเวลาต้องสละราชสมบัติท่านก็ไม่เสียดายเลยสละได้เพราะตอนเมื่อก่อนเคยเป็นพระเวชสันดอนเคยทําบุญทําทานมาอย่างโชคชน พอถึงเวลารู้ว่าจะต้องไปแล้วท่านก็สละหมดเลยไม่เสียดายเลยไม่ อ, อะไรติดตัวไปเลย น, นี่คือสันดานของของผู้ที่ได้ปลูกฝังธรรมะคุณงามความดีต่างๆไว้ในใจมันจะติดตัวไปก็ทุกภพทุกชาติแล้วมันจะสนับสนุนให้ปฏิบัติสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปได้ อมาพอ ม, มาบวชปั๊บฝึกสมาธิเดียวเดียวก็เข้าฌานได้เห็นไหมเข้าฌานขั้นต่างๆได้หกปีเนี่ยคิดดูคนสมัยนี้ฝึกสมาธิกันเป็นสิบสิบปียังยังเข้าไม่ได้เลยเพราะบางทีฝึกไม่ถูกบ้างฝึกฝึกไม่มากบ้างถึงแม้จะเป็นนักบวชก็บางทีก็ยังเข้ายาก ถ้าไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการฝึกจริงๆถ้ายังไปติดพันกับภารกิจอย่างอื่นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ไม่เสียหายแต่มันก็เป็นการมาดึงเวลาที่สำคัญของการปฏิบัติไปมันก็เลยทำให้จิตไม่สามารถรวมได้นอย่างประวัติของหลวงตาท่านเคยเล่า ว, ว่าท่านบวชช่วงแรกๆห ก, กปีแรกนีท่านก็ไปเรียนหนังสือ เรีนปริยัติธรรมช่นนั้นท่านก็หัดฝึกสมาธิแต่ท่านหอกทําจิตให้สงบได้เพียงสามครั้งเท่านั้นแต่พอเริ่มออกปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็นั่งทั้งสมาธิทั้งคืนได้เลยเพราะว่ามีเวลาทุ่มเทให้กับการเจริญสติให้กับการนั่งสมาธิได้มากแล้วมีครูมีอาจารย์คอยสนับสนุนคอยชี้แนะแนวอยู่ตลอดเวลา ก็เลยสามารถเข้าสู่สมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็ออกทางปัญญาได้พอออกทางปัญญาได้ก็บรรู้ธรรมขั้นต่างๆได้อย่างง่ายได้ น, นี่คือเรื่องของธรรมขั้นต่างๆที่สนับสนุนกันการทําทานจะสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีลห้าขึ้นมาการรักษาศีลห้าก็จะสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีลแปดขึ้นมา การรักษาศีลแปดก็จะสนับสนุนให้มีการรักษาศีลสิบศีลส 7, องอยยี่สิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่ายุคนี้ศีลสามร้อยกว่าไม่มีแล้วมีแต่ภิกษุภิกษุณีไม่มีก็รักษาศีลแปดไปหรือศีลสิบก็ได้พอเพียงต่อการที่จะไปสนับสนุนในการจเจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิได้สงบ มาฝึกสมาี่ให้ได้อัปปนาให้จิตสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งก็จะมีกำลังที่จะดึงจิตมาพิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ดืมพอเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็สามารถเอาปัญญานี้มากำจัดได้ให้หมดสิ้นไปก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ผู้ที่ปรารถนาะที่จะต้องการยกระดับจิตอยากบุกปุตชนธรรมดาขึ้นไปสู่จิตของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจาเป็นที่จะต้องทำตามขั้นเหล่านี้ยกเว้นถ้าสามารถทำขั้นที่สูงกว่าได้ก็ทำไปแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องกลับลงมาทำที่ขั้นต่ำกว่าก่อนแสดงว่ายังไม่มีฐานสนับสนุนทำขั้นที่สูงกว่าได้ นี่คือการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนจากทานไปสู่ศีลห้าจากศีลหไปสู่ศีล8ศีล10ศีล2องไปสู่สติสู่สมาธิสู่การปีกวิเวกสู่ปัญญาตามลําดับสู่การหลุดพ้นตามลําดับต่อไปก็ขอให้ท่านจงนําเอาไปเพินิจพิจารณาเพื่อผลต่างๆอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไป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 อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสะเพปเรนตตสังกปาจันโทปนาราโสยะามณีโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพะโรโควินสตุ มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะพิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมมาวัฏทันติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาท่านอะไร วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดผู้รับฟังข้างบนนี้สามสิบแปดคนรวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบเจ็ดครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าถามยกมือน่นจะส่งไมโครโฟนไปให้มาแล้วช่วยมารับไมโครโฟนหน่อยสิ ใกล้ใกล้ปากหม่ยคือเราจะมีอ right ุบายกลกลปากหยเราจะมีอุบายที่จะให้เราขยันทำความเพียรนะคะก็คิดถึงความตายอยู่เรื่อยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมีตายได้หลายแบบไม่ใช่ตายเพราะแก่เจ็บอย่างเดียวเดินเลื่นหกล้มหัวพาดพื้นตายก็ได้ เกีออ่ยวบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้เดินไปโดนฟ้าผ่าตายก็ได้มันมีความตายอยู่ได้ทุกเวลานาทีพอตายแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้ปฏิบัติอีกต่อไปปฏิบัติไม่ได้เห็นมันระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนการดำรงชีพเป็นของที่ยากพุทธเจ้าบอกการ ดัง น, นเราต้องคิดอยู่เรื่อยว่าชีวิตของเรานี่เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้มันอาจจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้เส้นได้มันเส้นบางๆมีอะไรไปกระทบมันหน่อยมันก็อาจจะขาดได้ชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นมันจะตายได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกตัวคนที่ไม่คิดว่าจะตายอยู่อยู่ก็ตายไปก็มีเยอะแยะให้ดูความตายของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนสอนเราไม่ให้ประมาท แล้วเราจะได้มีความขยันที่จะปฏิบัติทาให้มากก่อนที่เราจะตายไปเพราะตอนนี้เป็นตอนเดียวเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสสะสมธรรมต่างๆได้ <c oughs> ถ้าเราไม่รีบสะสมเสียเราจะคิดว่าเดี๋ยวเราแก่ค่อยปฏิบัติตอนนี้เรามีภารกิจอย่างอื่นต่างๆต้องทาเราก็มาคิดดูที่ว่าภารกิจอันไหนมันจาเป็นบ้างอันไหนไม่จาเป็นบ้าง าจริงถ้าดูจริ ง, รงๆแล้วมีภารกิจจำเป็นเพียงแค่อันเดียวนั่นเองคือเลี้ยงปากเลี้ยงทองนะองนั้นไม่มีภารกิจอะไรต้องต้องคอยทำเลยเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพื่อที่เราจะได้เอาไว้เอาร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมภารกิจเกี่ยวกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นเหมือนงู งูเขาเรยกางูคยกัดหางตัวเองมันไล่กัดไปอยู่นั่นเน่ะมันไม่มีวันจบแล้วมันมีแต่เรื่องที่จะต้องคอยให้ทำอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่แยกแยะว่าอันไหนเป็นกิจที่ต้องทำจริงๆอันไหนไม่ใช่เป็นกิจที่ต้องทำก็ตัดมันไปแล้วเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติกัน แล้วอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้เกิดความขยันเหมือนเพียงก็ต้องขยันเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามควบคุมจิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผูกมันไว้กับร่างกายก็ได้ให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายให้มันเฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถอย่าให้มันไปที่อื่นถ้ามันมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตมันจะสงบง่าย แลาวพอสงบแล้วมันจะมีกำลังขึ้นมามีความขยันขึ้นมาเองข อ, ขอบคุณค่ะคำถามจากทางบ้านครับคุณเล็กดิฉันอยากบริจากร่างกายให้โรงพยาบาลเมื่อเสียชีวิตแล้วท่านคิดว่าจะได้บุญไหมคะเพราะท่านตอบไว้ว่าเราตายไปแล้วไม่ได้เพราะเราไม่รู้คะ่ะ แต่ดิฉันไปแสดงความประสงค์ที่โรงพยาบาลตอนมีชีวิตรู้ว่าให้เขาไปทำประโยชน์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงจะรู้ว่าเขาเอาปอดเอาตับเอาไ ต, าตาไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เช่นเราบอยจากเลือดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาเอาเลือดไปใช้ประโยชน์แน่นอนอันนี้เราก็จะได้บุญแต่เวลาเร า, เาตายไป บางทีรถพยาบาลมาไม่ทันมาถึงใช้ไม่ได้เขาก็โยนทิ้งไปไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยเพะการที่เราบอกนั้นเป็นเพียงการแสดงเจตจํานงการแสดงเจตจํานงนี้ยังไม่ถือว่าสําเร็จประโยชน์เหมือนกับเราบอกโยมว่าจะให้เงินโยมเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้เมื่อไหร่โยมก็รอไปเถิด มันต้องทำมั น, มนต้องทํามันถึงจะเกิดประโยชน์เพราะว่าเราได้เสียสละของที่เรารักไปแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจเช่นเราเบริจากตายให้แม่หรือให้น้องเขาต้องการตายตายเขาเสียเรามีสองข้างเราแบ่งให้เขาข้างหนึ่งเราเขาได้ตายของเราแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเขาก็อยู่ตามปกติได้เราเห็นชัดเห็นผลที่เกิดจากการทําทานของเรา เราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาตอนนี้เราบอกว่าขอบริจาร่างกายแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ไมเพียงแต่บอกเฉยๆยังไม่ได้ยกร่างกายให้เขาไปถ้าการจริงยกไปตอนนี้เลยสิจะอยากจะได้บุญจริงๆก็เอาไปเลยเดี๋ยวคุณไปจัดการเอาผ่าสดๆแล้วเราจะได้เห็นมันไม่ทำไม่ได้การบริจาร่างกายจึงไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใด ตอนที่ตายไปแล้วแต่เป็นประโยชน์ไม่เถียงคนที่คนที่เรับอวัยวะต่างๆไปเขาได้รับประโยชน์แต่คนให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รับรู้แล้วตอนที่ให้ต้องให้รับรู้ตอนที่ให้เหมือนเงินทองที่เราตายไปเราไม่ได้ยกให้ใครไม่ได้ไปทำบุญมันมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราถึงแม้จะเขียนพินัยกรรมว่าให้คนนั้นคนนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาทาตามหรือเปล่า เดีย๋ยวเขียนพินัยกรรมก็มามีการฟ้องร้องกันมาค้านกันได้แย้งกันได้ในที่สุดเราก็ไม่รู้เงินทองนั้นไปที่ไหนกันนะ่ถ้าอยากจะแน่ใจให้รู้ทันทีทันตาก็ทำตอนก่อนตายสิเรารู้ว่าใกล้จะตายแล้วก็เรียกเขามาเลยช่วยเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญไปให้ที่นั่นที่นี่แล้วก็กเอาใบาเสร็จมาให้แสดงว่าเราทำแล้วอย่างนั้นดีกว่า คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแจนทำงานอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งมาทักชวนหนูคุยชวนไปทํางานด้วยค่ะคุยกันอยู่พักใหญ่หนูก็บอกว่าจะติดต่อไปพอกลับบ้านไปตอนนอนลูกก็งงแงไม่ยอมหลับให้แฟนห่มผ้าให้ลูกลูกก็แย่งออกจะหนุนหมอนก็เอาออกสรุปวันนั้นหนูดูลูกทั้งคืน ตื่นเช้ามาก็ไปดูตรงที่ผู้ชายคนนั้นบอกหนูก็เลยตกลงทำงานอยากหาอาชีพเสริมงานประจำค่ะตกดึกมาก็ฝันไม่ดีนะครับฝันฝันยาวมากครับแล้วก็บอกว่าเหมือนปอบก็พากันวิ่งหนีผวาตื่นขึ้นมาจากความฝันมันเหนื่อยมากค่ะเลยอยากจะปรึกษามันเป็นอะไรไหมแบบนี้หนูไม่สบายใจปกติลูกของหนูจะนอน ปกติทุกคืนแต่พอผู้ชายคนนั้นเข้ามาทักมาคุยด้วยลูกหนูก็ร้องงองแงทุกคืนเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราตอบไม่ได้เราไม่ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณอุมาวดีอสุรกายคืออะไรและภพภูมิของเขาคืออะไรคะก็คือดวงวิญญาณที่ทํำบาปด้วยความกลัวต่างๆนั่นเองกลัวมดก็ฆ่า ม, มดกลัวมแมลงก็ฆ่ า, มมาแมลง กลัวอะไรก็ทำพอไปเบียดเบียนเขาแล้วใจก็ไม่สบายใจก็จะมีความหวาดกลัวกับบาปที่ทำไว้ก็เป็นนี่ดวงวิญ ญ, ญาณเวลาตายไปก็เหมือนตอนที่ยังไม่ตายนะีต่ตไม่ตายอยู่กลัวยังไงทุกยังไงกับความกลัวเวลาตายไปมันก็ทุกแบบนั้นมันก็อยู่แบบไม่มีร่างกายก็จะฝันแต่เรื่องห น, หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่าง คำถามต่อไปจากคุณพยักก่อนนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกจนหลับไปเองโดยไม่รู้ตัวและไม่ฝันถึงเรื่องอะไรเลยครับถือว่าจิตนิ่งไหมครับจิตอาจจะนิ่งก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันต้องมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณกบิ ความรู้สึกเย็นเหมือนลมพัดอ่อนๆผ่านร่างทั้งเวลายืนเดินนอนอยากทราบว่าคืออะไรคะเวลาที่เกิดขึ้นก็จะกำหนดเย็นหนอจนความเย็นนั้นดับไปคะ่ะจะต้องทำอย่างไรต่อไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไรเจ้าคะก็มันทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์ถ้ามันทำให้เราสุขก็ดีถ้าทำให้เราทุกข์ก็ไม่ดี จะทำางานก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นปนอย่างนั้นรู้ว่ามันเป็นไตารักรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับมาแล้วก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มาไม่ได้สั่งให้มันมาไม่ได้ถึงเวลามันจะมาก็มาถึงเวลามันจะไปก็ไปก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไปยึดไปติดเวลาไม่มาอยากให้ให้มันมาก็จะทุกข์ เวลามันมาอยากจะให้มันไปมันไม่ไปก็จะทุกข์คำถามต่อไปจากคุณนัทธวุฒิขอความเมตตาพระอาจารย์สอนเรื่องนิวรณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนเราปฏิบัติพร้อมทั้งวิธีหรืออุบายในการกําจัดด้วยครับก็นิวรณ์มีอยู่ห้าตัวความลังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้หายหายสงสัย อ่านหนังสือธรรมะเข้าหากูบาจารย์ฟังคําสอนของท่านท่านก็จะตอกย้ําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นใครมีจริงหรือไม่เอส่วนถ้ามีการมฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องถือศีลแปดเนี่ยแล้วก็ไปปีกวิเวกอย่าไปยู่อยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยู่แถวร้านอาหารอยู่แถวโรงภาพยนตร์เดี๋ยวมันเห็นร้านอาหารมันก็อยากจะเข้าไปกิน เห็นลงภาพพยนต์มันก็อยากจะเข้าไปดูต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาก็จะระับกามฉันทะได้ถ้าเกิดความโกรธก็ใช้การเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยกับบุคคลที่เราโกรธความโกรธก็จะหายไปถ้าเกิดความง่วงนอนก็ให้ลดการกินให้น้อยลงอกินพออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มันน่าหวาดกลัวหวาดเสียว มันก็จะทำให้หายง่วงนอนหรือขยะก็ใช้การเดินจงกรมถ้านั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินไปนานๆเดินไปจงกว่ามันจะหายง่วง น, นี่ก็แก้ความง่วงนอนถ้าเกิดความฟุ้งซ่านก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งเพราะไม่มีสติควบคุมใจก็เลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จนฟุ้งขึ้นมา ถ้า ต, ต้องการละ ง, งับ ก, ก็ต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดเนี่ยนี่เกนิวร์ห้าข้อโดยการ ว, วิธีแก้โดยสรุปโดยสังเกตคำถามต่อไปจากคุณดิษยาเพื่อนพูดว่าศาสนาเป็นเรื่ององมงายการมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่มากเกินไปเป็นเรื่องของพระสงฆ์ได้ยินแล้วหดหู พยายามนั่งสมาธิก็หายไปได้แต่ยังไม่หายถาวรทําอย่างไรจึงให้หายหดหูเจ้าคะาก็ปฏิบัติไปสิเมืม่อหาย ห, หดหูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าไปฟังคนที่มันทําพูดให้เราหดหูไปฟังให้ไปฟังคนที่พูดให้เราไม่หดหูนด่ไปฟังทำไปฟังเอ พระปฏิบัติท่านเทศท่านสอนฟังแล้วมันจะมีกำลังจิตกำลังใจไปฟังคนหูหนวกตาบอดพูดก็ก็หดหูตามเขาไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันมีลูกสามคน ค้าขายอยู่กับลูกคนโตแต่คนเล็กเขามีลูกพิการดิฉันเอาเงินจากการค้าขายแบ่งปันให้ลูกคนเล็กเป็นบางครั้งโดยไม่บอกลูกคนโตที่ฉันอยู่ด้วยอยากทราบว่าดิฉันบาปมากไหมโช้คะก็แล้วแต่ว่าเงินนี้เป็นของใครถ้าเป็นของเขาด้วยก็ถ้าไม่บอกเขาก็เหมือนกับว่าเอาเงินของเขาไปให้ผู้อื่นก็เป็นการลักทรัพย์นะแต่ถ้าเป็นของเรา เป็นส่วนของเราเราเอาไปอย่างนี้ก็ไม่บาปนี่เราต้องดูว่า ง, งินที่เราให้เขานี้เป็นเงินของเราหรือเป็นเงินของสองคนเป็นของเขาด้วยก็ต้องบอกเขาคาถามต่อไปจากคุณจักรพงษ์มานมีจริงไหมครับถ้ามีจริงจะขัดขวางการปฏิบัติทำได้ไหมครับเขามีวิธีขัดขวางอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรครับ มันก็เป็นเพียงแต่คำที่เราใช้แทนอาการที่มีอยู่ในใจหรืออยู่นอกใจที่ขัดขวางการปฏิบัติของเราเช่นกิเลสสมานก็คือกิเลสในใจเราคอยดึงเราไปเที่ยวคอยดึงเราไป ไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะทำานี่ยก็เรียกว่ากิเลสมานสังขารละมานก็คือร่างกายที่แก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เรียกว่าสังขารระมานเป็นตัวที่มาสร้างอุปสรรคให้ต่อการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ามานคำถามต่อไปจากคุณธงชัยเวลาผมนั่งสมาธิ มีเสียงรบกวนจากข้างบ้านผมแก้ไขโดยนําที่อุดมาอุดผิดไหมครับไม่ผิดหรอกอุดนั่นแหลดีฉลาดไม่ต้องไปหนีเอาที่ฟังหรือที่อุดหูมาอุดไว้ไม่ให้เสียงมันเข้าเพราะถ้าเมื่อมันรบกวนมันก็จะทําให้การนั่งสมาธิมันยากดีแล้วล่ะรู้จักแก้ปัญหามีใครอยากจะถามาไหม หร อ, อยังไม่หมดปัญหาคำถามมีครับออคำถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บาปแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วตายไปต้องชดใช้อย่างไรระหว่างฆ่าหมดกับฆ่าวัวเจ้าคะ่ะคือสัตว์แต่ละชนิดเขามีคุณประโยชน์ต่างกันค่าสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากก็บาปมาก ครับสิ่งที่มีประโยชน์น้อยก็บาปน้อยแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสิ่งที่เราฆ่าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นบาปอย่างอื่นทำให้เราไปเกิดไปเป็นสัตว์ที่เราเคยฆ่าแล้วเราก็อาจจะถูกถูกฆ่าอัานนี้ท่านบอกว่าทำอะไรไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นขอให้คิดว่าถ้าเราฆ่าวัวเราก็จะไป เกิดเป็นวัวให้เขาฆ่าแล้วเราฆ่ามดเราก็จะไปเกิดเป็นมดให้เขาฆ่ า, าแล้วขณะที่เราทํานั้นความรู้สึกมันก็จะต่างกันฆ่ามดจะรู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกไม่สบายใจน้อยกว่าการที่ไปฆ่าสัตว์ใหญ่คําถามต่อไปจากคุณการกาแฟกับเครื่องดื่มชูกําลังมีผลต่อการนั่งสมาธิทําให้จิตสงบได้ยากใช่ไหมครับ เมื่อวานผมดื่มกาแฟก่อนนั่งสมาธิทำให้จิตสงบได้ยากเวลานั่งครับมันก็มีส่วนนะแต่ตัวที่ทำให้สงบไม่สงบจริงๆก็คือสติแต่พวกนี้ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนได้เห็นทางที่ดีก็อย่าไปดื่มมันดีกว่าหิวน้ำก็ดื่มน้ำธรรมดาถ้าจะดื่มแก้ง่วงก็อย่าสู้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้มันหายง่วงจะดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณสิทธิพงศ์ขออุบายวิธีบริกรรมพุทโธให้เกิดสติสัมปชัญญะให้แนบแน่นจิตใจไม่วอกแวกลูกหลานเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมครับก็บริกรรมไปเรื่อยๆไงตั้งแต่บัดนี้ไปเลยเนี่ยแล้วพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดเนี่ยอย่าทิ้งอย่าให้มันหายดูสิว่าจะพุทโธได้ยาวสักเท่าไหร่ ยิ่งยาวเท่าไหร่ก็จะได้สตินานขึ้นไปเท่านั้นได้มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉนั้นพุโทโธอย่าให้มันหยุดอย่าให้มันหายหมดแล้วเลอมีใครอยากจะถามไหมฮะม า, าไมโครโฟนหน่อยอยากได้อุบายทำให้อินเสียสังวรศีลมีกำลังสูงที่สุดนะครับก็ทำมากมากไง แต่มากๆแล้วก็ไปอยู่กับคนที่เขามีศีลถ้าไปอยู่กับคนไม่มีศีลมันก็ทํายากเขาก็จะชวนให้เราทําผิดศีลอยู่เรื่อยๆต้องไปเข้ากลุ่มของคนที่เขาทําสิ่งเหล่านี้เหมือนเด็กนักเรียนที่เขาเข้ากลุ่มกันเขาจะเข้ากลุ่มกับพวกที่เรียนเก่งแล้วก็เขาเขาเขาก็จะดึงกันขึ้นไปได้ถ้าไปอยู่กลุ่มเด็กที่เรียนไม่เก่งเดี๋ยวมันก็ดึงเราถอยได้ฉะนั้นการมีสังคมนี่ก็สําคัญ พะุเจ้าบอกต้องรู้จักเลือกคบคนสอนให้คบให้เลือกคบคนที่ฉลาดดีเก่งกว่าเราเขาจะได้ดึงเราหรือถ้าอย่างน้อยไม่ไม่ดีไม่ฉลาดเก่งกว่าเราก็ให้เท่าเราแต่อย่าไปคบกับคนที่เขาด้อยกว่าเราถ้าคบกับคนที่ด้อยกว่าเราเขาจะฉุดเราลงไปได้ เพาฉนมันถ้าอยากจะมีสติมีศีลสังวรก็ไปคบกับพวกที่เขาปฏิบัติสติพวกที่เขาปฏิบัติศีลสังวรมาเพราะฉะนนไปอยู่วัดนี่ยไปอยู่วัดเรื่อยๆเนี่ยมีญาติโยมผู้ชายเนี่ยชาวนี้มาจากอินโดนีเซียเนี่ยอุตสาหข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพราะเขาต้องการที่จะมาปฏิบัติเขารู้สึกว่าเวลามาอยู่กับกลุ่มที่ปฏิบัติเหมือนกันก็ช่วยดึงเขาได้